ปัญญานี่ปัญญาชอบยกกับสมาทิถิ่นในองค์มรรคปัญญาเห็นกายต่างๆเป็นจริงเพราะฉะนั้นต้องให้หาอบายให้เราดูกายจริงๆกายของเราเนี่ยดูกายกับจิตต้องปมั่นย่อมมันนี่ทุกขั้งที่ต่างประเทศแต่จิตฉลาดแล้วมันก็เห็นกายโทษหรือถ้าจิตยังไม่ฉลาดมันมองดูมันมันเห็นความจริงเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยจิตก็จะฉลาดขึ้นมา นี่เลยนะถ้าจิตยังไม่ฉลาดถ้าจิตฉลาดแล้วดูจิตเอาจิตนิดดูจิตมันก็รู้ว่าออมันหลงสิ่งอย่นงนีออ้มันไปหลงมันไปต้องการมันปรารถนาะมันอยากอยู่ที่จิตออถ้าจิตมันยังอยากอยู่มันยังไม่อยู่ต้องมาดูกายเห็นความชำรุดของกาย เห็นความไม่สะอาดของกายเห็นอโทษเรียกได้เห็นเห็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ก่อนเราเห็นว่าดีเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันทำไม่เอาอะไรสิจิได้ฉลาดขึ้นมาเมื่อมันไม่เอาวางมันปล่อยเมื่อมันไม่เอามันปล่อยวางแล้วเรียกยไปดีมูด เจโตวิมุตตัญญาวิมุตตท่านใช้ต้องการความสงบท่านก็สงบได้ท่านละได้ต้องการสมาธิท่านก็ทาความสงบแตบแสดงจิจฉิตไปต า, างๆแทบมุตตาต้องการอิจฉิต ท, ทางปัญญาท่านก็เย็บยกปัญหาที่ปัจจนาขึ้นมาท่านก็ใช้ปัญญานี่เอง ปัญญาวมิมุตต์หรือเจโตวิมุตต์บางครั้งท่านไม่ต้องพิจารณาอะไรเพราะมันพอแล้วเนี่ยเข้าไปสงบเลยมันก็เป็นเจโตวมิมุตต์บางครั้งท่านอยากพิจารณาทกต้องการพิจารณาแล้วก็ไปสงตามเหตุภายนอกที่ท่นานจะใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ภายนอกส่วน ปิดแสดงอิทธิฤต่างๆแล้วแต่ทำจะใช้แต่พูกฝึกนั้นมันต้องมีถ้าปัญญาอย่างเดียววีมุมดได้โลกเขาพ้นไปหมดแล้วเพราะเขาไม่ใช่เขาไม่ฉลาดไม่ใช่เขาไม่รู้แต่ความรู้ของโลกเพื่อแก้สุนหาพ้นจับเขาในความรู้ไม่จบเรียนไม่จบ มันแตบกระจายก ร, จากระจายกระจายเพราะไม่จิตไม่รวมไม่สงบนี่เองไม่มั่นคงนี่เองจึงไม่สิ้นสงสยัยก็สงสัยไปร้อยแปดหาไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงว่าผู้ปฏิบัติที่จะพ้นจากทุกได้นะต้องโยนในองค์คือมีผู้ประท้วนฐามพระองค์ว่าการปฏิบัติพ้นทุกได้พระนิพพานเนี่ยได้ เ, เฉพาะ พระองค์สาวกของพระองค์หรือศาสนาอื่นนั้นรับที่ื่นจะได้บำมันพระองค์ไม่ตอบไม่ปฏิเสธพระองค์ฉลาดตอบมากเราถือทำเป็นใหญ่พระองค์ถือว่านักธิไดก็สามบุมคคลใดก็ตสามข้าประจ้บัติเกิดเจ้าในอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์แปดทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์แปดแล พกื่อนตัวนั้นเชื่อเนั่นอันนั้นกง พ, กพกน้นจากทุกเคยจะนั่งจัดต่างๆได้อยู่เสื่อลกเพราะมันรู้แต่มันขาดการวิจัยของเขที่ศิลปธรรมะศิลปก็มีอยู่เหมือนกันทัศน์ขงเขากใช้อยู่เหมือนกันไม่ใช่หรือไมใชปัญญาของเขาเกิดใช้ การคิดคนว่าการทำขึ้นมากิดขึ้นแต่ปัญญาเหล่านั้นเป็นปัญญาในรูปได้จากตาจากหู mm. จากเิ่บจากสัมผัสการใส่เป็นต้นเหตุขึ้นเทขึ้ม มีเป็นปัญญาไม่ใช่ปัญญาที่ปันพุทธเจ้าพบมาจากอริยสัจที่เป็นปัญญาตุดแท่ที่บริสุทปัญญาที่ได้จากสมุทัยที่ความอยากความหลงยังหม่บริสุทธิ์ไอ้สิ่งบริสุทธิ์องก็ไม่จากเข้าแต่ก็นอกเขาจากเข้าเป็นปัญญาตอดปัญารู้มันก็บันเทาทุกข์ได้แต่เมือนไม่เสื่เอเฉิย เก็ได้ความสดชื่นแล้วก็ได้หารกิมก็ได้ความสดสีจริงเรียกว่าจริงสมมติเป็นโรคแล้วกินไปแล้วก็มันก็หายบ้างไม่หาให้บ้างมันก็มีจิริงสงบรแล้วบ้างนั่งหนื่อยแล้วก็เดินเดินเหนื่อยแล้วก็นได้เครื่องใช้เครื่องสอยเครื่องอูเครื่องเด่นต่างๆมันก็ผ่านจนได้ความเพลิดเพลิน พรองค์ก็ยำเราอันนี้ความเซ็กแต่มันเป็นกามมันเป็ขันด์ในกานโยมพรงก็ว่าเป็นความเซ็กมันเป็นแต่เซ็กอย่างนี้ใ่ควรยึดมั่นพรไองค์ในรองค์ามานานแสนนา น, นนี่เราจะหาความสงบรักที่เราจะได้ปฏิบัติให้สงบให้ตรงดีลงไปไม่ต้องคิด อยู่ในเขตในกฎเกณฑ์อันนี้อย่าไปคิดเรื่องอื่นเวลาได้ความวิเวทได้ความสงบเวลามาอยู่ป่าเนี่ยจิตของเรามันไม่แน่นอนเวลาอยู่ป่าไปคิดไปทางบาง้านเวลาอยู่บ้านคิดอยากมาอยู่ป่าบอกมั น, มนว่าควรอยู่อย่างนี้เลยไม่มีอะไรแน่นอนแนละ้วจะไปเชื่อว่านัน่นจิตกิเลสอันนี้อออันนี้มันมีทุกคน น, นั่นเอง พอเวลามาอาที่สงบแล้วแล้วใก็จ ะ, จะทําจิตที่เราตั้งใจมาที่แดดไม่ทำนะหาเรื่องหาเราคิดน้อนคิดนี้มาคุยน้อนคิดนีก็ปอกน้อนโต น, นี้บางคนก็นินทาการตีเตียงกันมีปัญหารอยแปดนี่จะได้ความสุขจากกากาสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะไม่ตั้งเ อ, อพูดจ้วงจะพูดอะไรจะอะไรเพราะเจอมันก็ไม่ได้ความสุขจากการศรึา ส, สิ่งสงั์ศีลในศุกษาสิ่งนี้แล้ไม่ได้ศึกษาเลย แ ล, ล้อก็ไม่เรื่องวิตปัญหาในการปฏิบัติมันเท่าที่อยู่มายาวนานมันไม่ไม่ที่สิ้นสุดปัญหาอันนี้แล้วผู้ปฏิบัติไม่น่าจะมีหรือปัญหาอย่างนี้ไม่น่าจะให้เราผู้ปกครองให้ได้ยินหรือให้มีอะไรปัญหาม้าน่นวายเลยมันมีที่สิ้นในสุดทั้งในทางครัวทั้งทางนี้แล้วเมืออไหร่นี้สดทั้งเวด ก, ก็ไม่ทราบจะทำยังไง ก็เลยเป็นคนที่จะต้องพูดอยากอยากจะต้องแก้ปัญหาอะไรโดยเพื่อกระตุ้นให้รู้จิตก็เลยกลายเป็นคนที่เราไม่อยากใช้ยังเป็นต้องใช้ขึ้นมาตึองใช้เสียงแข็งขึ้นมาอันี่ขึ้นมาแท้จริงเราไม่รับใช้เลยจริงอย น, นี่พูดเป็นอุบายที่เราทั้งหลายฟังแล้วให้ส ร, รุปผลในการปฏิบัติเพื่อจะได้สรุปสังเวชใจแล้วก็มาปล่อยวางนะหาความสบายความสงบดูใจไม่ยากเราดูใจถ้าสติดีปัญญาเอีดูตายก็ไม่ยากกับปัญญาแล้วเพราะความจริงมันเกิดให้เราเห็นขอให้มีฉันทะความพอใจในการดูกัน ตามคำสอนพระพุทธเจ้ายาตลาดออกยาคือเครื่องก่างๆให้เต็มใหญ่เรียกว่าศรัทธาเป็นพลังของจิตใจในมรักในผลนเรียกได้ยาวามเพียงเพื่อเพื่อทำเพื่อมรักเพื่อผลเรียกว่าเพียงชอบจิตตะเอาใจชอบคิดชอบตามคำสอนของพระองค์ ที่มังส า, สสาสตรวจตราตรวจสองให้ดำเนินไปในทางนี้จะให้มันหลีไปทางอื่นให้มันแ น, วน่วแน่จริงจังลงไปนี่นี่ผลทางที่แคบที่เราจะต้องดำเนินตั้งใจอธิษฐานใจปฏิบัติพูดมาทั้งหมดนี้ไปอยู่ในความจริงใจงท่านอธิษฐานใจกําหนดไว้ให้มันแน่วแน่เราจะได้ผลจริง พระทศทุกครั้งที่ผู้ปฏิบัติผ่านมาได้ผองอันที่ความจริงนี่เองส่วนอันนั้นนะ่มันเป็นขยะที่เราคิดไปร้อยแปดไม่ได้อะไรเลยมันบูดมันเน่าไปหมดเลยเอาเอาเล่าให้ฟังกันนี่แหละ <c oughs> รู้อาการเป็นแล้วก็แต่งใจของเราให้ดี ทำไมปกติยึงไม่สั่นทำไมถึงอันนั้นมันเกิดขึ้นอันนี้กนเกิดขึ้นเราก็ก็ะรองปัญหาขึ้นมาเพราะมันกระทบจิตเวทนามันกระทบจิตทบจิตนี้เราไปอดไปอดก็เลยอาการมิรแสดงออกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาใช้สติเวทนานะี มันก็มีตั้งแต่ไหนแะไรมาทุกอย่างเราก็เคยทุกมาแล้วปวดให้ปวดเมื่อมีขันแล้วก็ต้องมีเวทนาแต่เวทนากับจิตนี่ไม่ใช่อันเดียวกันนราพย า, ยามทำไมจิตเราจรึงมันเปลี่ยนแปลงจากปกติมามีความรู้สึกไม่ค่อยแช่มชื้นไม่ค่อยเบิกบาน เพราะความเลื่อนนาในคลองนั้นไม่ค่อยมีปกติมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทุกข์เราจะไม่ทุกข์ไม่ได้เลาได้มันเกิดจะเกิดอยู่ไม่แหละนี่คือนี่จนนี่แหล ะ, หละจะไปหยาบยับไปกดไปดัานาจะให้มันหายจะให้มันดับถ้าอยากเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นตันเหรเพราะฉะนั้นจิตจะสงบได้นจะต้องจิตรักษาจิต เวทนาก็อยู่ในเวทนาตามหลักของมหาสติปัฏฐานให้รู้จักเอเวทนาในสัแตะเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่กครเวทนาเป็นธรรมเป็นขันธ์หนึ่งเท่านั้นเองคนทัางหลายไม่ได้ภาวนาไม่ได้สติ จึงไม่รู้เวทนานี่เป็นใัรถือว่าเวทนาเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นเวทนาจึงอยู่กับเราคลายออกไม่ได้เราพยายามที่จะให้เวทนานี่ไม่อยู่กับเราจักตัวเวทนาแล้วก็แต่งใจให้ดีแต่ใจไม่มีอะไรยึดเลยยึดทิโทาไว้ก่อน เอาใจในพุโทโธปล่อยวาทงทำแต่งใจของเราให้กลับสู่ปกติเหมือนก็ไม่มีอะไรเข้าใจไว้เนี่ยทั้งใจปกติเหมือนไม่มีอะไ ร, ไไะไรยากบังคับมันมากถ้าไปต่อส่้กันมันคืออันกําลังสติของเรามันอ่อนแล้วก็ความสงบของเราธรรมาที่ของเรายังไม่แข็งแรงอะไรนี้เกิดกลัว แต่กลัวใดเราไหมรู้สึกว่ามันกัว เ, เราเพราะมันมันมนทรมานอยู่แล้วมันเคยเห็นฤทธิเวทนายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปกติแล้วพอรู้สึกไม่สบายเราก็เปลี่ยนปุ๊กรู้สึกไม่สบายก็เปลี่ยนปุ๊ตามใจมันมันก็แก้ได้โดยวิธีไหนง่ายแต่วมันเคยไปอย่างนั้นมันจะจะให้เราลุกขามีอย่านั้นชึ่ออะรเรียกออกม า, มาอยากให้เราถอนจากสมาธิ จึงได้เวทนานีนเรียกว่าขันธมารมันมาขัดขวางไม่ให้จิตของเราเข้าสู่ความสงบถ้าจิตของเราเนี่แบบพระพุทธเจ้าพระองค์ชนะมาร